จบเสียงงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนโดยอาจารย์พรรัตนาสุวรรณอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีเสียงงานทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตนะครับและเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนแนะนําให้ฟังงานของอาจารย์พรครบทุกเล่มซึ่งชมรมผลดีได้จัดทําไว้หลายเรื่องและจะจัดทําเพิ่มเติมต่อไปเท่าที่หาต้นฉบับได้นะครับ ขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้สุดาพรตงสิริสุภกิจนิมมานรเทพนิชามาโซภากุญญาดาพุ่มพวงชวนนทรงพลพลพรอภิวัฒนาเสวีพ่อนเพนหงรอนเพนนาภาขันผงปัญญาโกจันรัตนีจันจรัตวัฒนาชยาภาอินมณีครอบครัวสินสมบัติรัตนอาภาอตโตหิสมัยเสดเจิมธนรดีอำนาจหารกิจ